เีน่ น, นลูกเนาะเจ้าเล่นบอลไม่เคียงมาตกบรริกราศโหไฟในทำนองไรอือหนึ่งตามตัวใบหลวงพ่อคนแก่ไม่อยากจะพูดอะไรหรอกธรรมะทุโ ม, ม, ม, มตรงหน้าหนุนหลังจับต้ตนจนไปลายไม่ค่อยได้ ก็อยู่เป็นหมู่งหมู่งินกุงให้เท่านไม่อยากจะพูดเลยไปได้ไปไหนก็ไม่อยากพูดเรื่องธรรมานี่ยเพราะว่าเรามันแก่แล้วก็ไม่รู้จักจับต้นทนไปลไม่ค่อยถูกแล้วก็ไม่รู้ว่าอย่างไงบอกแล้วนับอกหมู่ไม่เมื่อกี้นี่ก็บอกเราที่จะขึ้นไปนี้ก็บอกไม่ใา้ยัน มันเป็นไม่ให้ละมันใหญ่ผมเทได้อวะแต่ไม่ทรวงไปไม่เกิดมาเลยตามภาษีภาษาของคนแก่คนจะพูดไปตามเรื่องไงเนาะพูดได้ก็พูดไม่พูดไม่ได้ก็ฟังอย่างนี้คนเราเกิดมาเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยก็ เกิดมาตามธรรมชาติเกไม่ก็ไม่ว่าจะเอาอะไรแบเกิดมาตามบุญตามกรรมจนเราแต่งแต่บุญบารมีจะไปตกที่ไหนคิดว่าบุญของเราเขาสร้างมาอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้น เกิดมาเพราะบุญเรานั่นแหละเกิดมเพราะกรรมกรรมดีกรรมชั see, ่วถ้ากรรมดีก็ไปตกที่ดีมีความสุขถ้ากรรมชั่วก็ไปตกที่อุดามาแค้นไปไม่พอพอปากทุกทุกยายากมันก็เป็นอย่างนั้นไม่ไม่สะดวเข้ามาสุดยอดแต่คุณจะเป็นไป เราก็มารู้จักหรอกเกิดมาแน่เกิดมาสร้างสร้างครรสร้างเวรให้ตัวเองนั่นแหละผมว่าดูเพราะว่าเกิดมาในโลกนี้เกิดมาอย่างเกิดมาหลวงหลวงเกิดมาอ่าดีอย่างหนึ่งว่าพ่อแม่เราเป็นคนเออก่อใ้เกิดมาเป็นคนเนี่ย แล้วก็ดีนย่งเกิดลงมาเกิดขึ้นมาก็เกิดมาอยู่ในมรรคพุทธศาสนาพอได้มาศึกษาเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องชีวิตจิตใจของเราตัวเองไม่ได้รู้จักตอกแต่ก่อนพุทธศาสนาก็เถอตั้งแต่เถืมนมากับตั้งมือขวาส่วนตัวพุทธศาสนาแท้ไม่รู้ว่าท่านสอนเรื่องอะไรไม่อยากไปเข้าใจ ผมว่าใครเข้าใจว่าเข้าใจอยู่แต่ว่ามันไม่ถูกการให้ทานการรักษาศีลการทนบุลเป็นเปียกของของพุทธศาสนาของเราเขาได้แต่เปียกมันเท่านั้นแหละเกิดขึ้นมามาผู้บุญเบญไม่ได้เกิดด้วยแหละเกิดมาแล้วก็ มาสร้างคุณนามความดีบ้างม่สร้างบาปบ้างจะเข้ามาพุทธปฏิบัติแบบเราเนี้ก็ยากมีแต่การทำบุญเท่นัเท่านั้นทศเสถียรนั่นเป็นประจำแล้วก็ได้ตั้งแต่เช่นนี้แหละเกิดขึ้นมาข้างใดก็สร้างถึงแต่ของของเดิมเดิมไม่ของเก่าเราบุญเก่าเรา สร้างแม่ก็ไปกินบอกของเก่าเราหมดแล้วก็ก็ตายไปเราขึ้นมานี่ก็มามาสร้างสร้างกรรมให้ตัวเองสร้างให้กรรมให้ตัวเองไม่รู้ว่าอะไรเป็นสวรรค์อะไรเป็นนรกอะไรเป็นนิพพานไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจมีแต่ทำแต่พุทธเถอทําตามๆมันไปพอเราเข้ามาปฏิบัติแล้วถึงคนอรู้จักว่าโอ้ยเราเนี่ยเกิดมาในี่สร้าง มาเกิดมาสั้งกรรมส้างเบให้ตัวเองทำไปนึกว่ามันจะถูกมันจะเป็นบุญเป็นกุศลแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ทำลงไปเราก็ว่าจะทำอะไรลงไปมีตั้งแต่ของที่ใช่ลงทุนลงแรงเราจนเอาจนใช่ไม่ไหวนะ ม้าวัวค่าวคุ้ยข้าสารพัดกินเหล่ากันทั้งฟอนทั้งลำทั้งสารพัดจ้างมาลำมาเทรากาก็จ้างมาต้องกยาได้ไม่มีก็หากู่บ้านกูเมืองท่านรั้นไปเจอมาเรี่ยงกัน เกิดขึ้นมาแล้วก็ทำใบเล่าเสร็จแล้วก็หาเงินแค่นี้แล้วบหนเนี่ยเป็นมุทุกข์เป็นทุกข์ไม่ทำบาปควรจาแต่ที่ีก็จะไม่รู้ว่าจะเอาอะไรทีดไปใช้ขาอีกเอาของมามากันตามื่ขึ้นไงก็ทำายามตามยะกรรมงั้นแหละแล้วก็ทาตามตามมันไปอยู่ันอยู่ตลอดไป พอหมดอายุแล้วก็ตายไปตายไปก็ได้ไปนี่แหละเอาขีเป็ดไปลั่งขี่ไก่ทั้งผู้หลงปู่ท่านบอกแล้วก็ได้ได้แต่นั่แหละท่งทุกข์ทั้งยากทั้งมันบากสารพัดท่้งแก่มันละเป็นไปบางทีก็กินไม่ได้นอนไม่หลับนี่สินตินตอเงินก็ออกดอกได้เลย ทุกทุกเบือนทุกเดือนไปหาเงินตบหน้าแค่นี้ก็หาไม่ทันเอาไปมาก็เอานาเอาก็เอาาไปเต็มกระเพาะหนุ่มแล้วเอาเงินไม่ใช่นี่ใช่เป็นคนไปทุกอย่างที่เกิดมาอย่าให้เราพยายามทําอย่าไปกินมากอย่ไปเท่มากไกลมากด้จยการเก็บหอมรอมเรีบรู้จากการซื้อการหากัน จ่การเทศน์สอนลูกของเราให้รู้จักถ้าเราไม่รู้จักจแล้วก็ไม่รูปบาปบุญคุณโทษเปร่งไรเราไม่ค่อยเข้าใจไม่ก็ไปสร้างแต่ความทุกข์ในตัวเองแหละเราเกิดมาในมาสร้างทุกข์ในตัวเองแหละบุญนก็สร้างเองบาปนโกสวรรค์นันสร้างหมดแต่สร้างเอาเองหมดไม่มีใครมาสร้างให้เราเลยไม่งั้นจะเป็นเตตรีเป็น อะไรก็มาสร้างเราเองนั่นแหละถ้าเราเข้าใจถ้าเราไปเข้าใจกับตกทุกข์ยากไปเรื่อยๆไปไม่มีใครจะมานั่นแหละความทุกข์เกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครต่อตั้งให้เจ้าเจ้าของสร้างเพิ่มาเองให้เราพยายามเกิดมาเนี่ยทางที่เรามาอยู่น่นเองมันคือมาแยกออกจากชีวิตกิจใจของเราให้ขึ้นสูงเรื่อยไป ถ้าเราทำแต่ของเดิมอยู่นี่เมื่อก็ได้ของอย่างเดิมนี่แหละมากินทุนเก่าจ้าของหมดแล้วก็ก็การบ่มหายไปจากไปถ้าบุญมีเพลี่ยตั่งคุณมคุ้มดีแล้วก็เกิดขึ้นมาก็มีดูมีกินบ้างไม่ได้พอได้ใช้ได้ใช้ไปถ้าคนไนหะ้ เกิดมาทานนี่ไม่ดียก็ทําแต่คนขั่วก็เป็นคนอ้วกอ่อนแต่กลบไปนี่แหละแต่ทางานทุนบุญทําทานก็ทําอย่างที่ยอมยอมวางที่ไม่มีอะไรจะทํามากมล้วก็ได้ปป็นที่เราทํานั่นแหะได้มาเป็นตนของเาอยู่แั้วไม่เงตัวไม่ตัวหนอกบุญนั่นและเราทำอะไรก็ปัจจุบันนี้ถ้าเราทําดีๆไปแล้วก็ มันก็เลื่นลอยไปอยู่บงเนี่ยเลื่นมาไปไปถึงคราวมันมันก็ต้องอ่าเป็นฝ้าฝนอะไรก็เหมือนกันนี่แหละมันก็ค่อยไปทําที่ไหนก็ดีมากกวาอุดมถึนบนดีเรื่อยไปคนดีมาบนน่าที่นาเคยตั้งสรนมาถ้าคนไหนจะใคยทนบอบช่วแล้วก็ไปเสียก็ไป เหี่แห้งไปไม่ได้สมากสมผลไปก็เป็นคนอดเยาคนอยากลากินรสอดากไม่ค่อยเอาใจใส่ในคุณงามคุนดีมันก็เป็นไปอย่างที่เราทำได้นี่เราพยายามมานี่ก็เราจะมาสร้างตัวเองเนี้ยจามาพัฒนาปฏิบัติมาดูตัวเองมาหาตัวเองโดยมากเรานี้ยแค่ให้มันมาฝึกบางหัดเนี้ยมันจะหลงตัวเองอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าเรานี่ตายไปแล้วไม่รู้ว่าจะไปไหนเลยมาแล้วไม่รู้ว่จะไปยังไงถือแล้วเตีีได้กินไปเห็ดทำตามไปตามท่ากรรมต่อไปเองมัอนมาก็ไปอย่างนั้นน่ะไปยอย่างผิดผิดทางไปเราจิตใจของเรานี่ทําำมาได้มาฝึกมาหันั่นมันะพาไปทั้งแต่สิ่งที่เป็นอกุสนทําชั่วเพราะว่ามันมันทำง่ายง่ายทำทำชั่วนั้นน่ะ สำหรับคนที่เป็นบาปแล้วทําชั่วได้ดีทําทําชั่วนันได้ง่ายมากถ้าทําดีนี่คนชั่วเนี่ยทำดีมาเมื่ถ้าทำทำคนคนดีนั่นแหะทําชั่วไม่ได้ทําไม่ได้เลยคนชั่วงทําดียากคนดีนั่นทำชั่วไม่ได้แล้ก็ได้แต่ความดีนี่แหละเจอคนไหนที่มีบุญนะคอยอยู่กับเรามาเกิดจนนี้แหละ ถ้าเราทำดีทำปัจจุบันให้มันดีก็ดีนี่แหละอย่มาย่ขี้เกียจเป็นคนขยันเปลียนสร้างบุญพัลลีบุญพัลลีเขมขยันขันแข็งไปทาการทำงานอะไรไม่ว่าจะทาให้ตัวเองไปช่วยหูมนุษย์่นมด้วยกันอย่าให้กลัวเขาอย่ได้เดีของเราเป็นว่าไปเอาเงกันไ้อย่างนี้ หงังตแล้วไปเสร็จแล้วก็คนอื่นเขายังไม่เสร็จไงเขาไปหาไปหาก็ไม่ค่อยเอาใจใส่ว่าเขาจะดีกว่าเราอย่างนั้นแหละก็ไม่ด้วยเต็มไม่เต็มเหน่อยละไปไปช่วยคนอื่นเราทาอะไรก็มันถ้าได้ไปทำคนอื่นนั่นน่ะถ้าคนอื่นเขาดีแล้วก็ดีเหมือนกัน ถ้าคนอื่นเขาไม่ดีครับเราก็ไม่ดีเหมือนกันทำเราทาให้เขาไม่ดีอะแล้วก็บุญที่มันจะได้รับผลมาก็มันก็เป็นถ่งที่เราทำไม่นั่นแหละบอกเขาไปทําได้ทําตือนไม่หรือเนี่ยเราขยันขันแข็งไปช่วยเขาได้ไม่ได้อะไรไปทำอะไรก็ไม่บ้าแหละขยันขันแข็งไม่แพ้ไม่กลัวพวกเขาจะล้นรวยไม่กลัวเด็ด กลัวจนแต่เขาจะไม่ได้อเอาใจใส่แต่เขาไปทําให้เรามบบเนี่ยเขาก็มีห้อีตามเหมือนกันพวือกฝึกเสือนมีเหมือนกันนะโอ้ยไปทาอะไรเราไปทำก็ไปเขาก็ไปอยู่เขาหากขาไปไปวดยเขาตัวเอีงไปโทษเขาก็ไปเล่นไปเล่นไม่เอาใจใส่นะไม่การนงานที่คงเขาทำไป ก็ได้นิดได้ดิ้นนิหน่อยได้เด่นนี่เราทําดีเขาก็ดีเหมือนกันถ้าเราทำไม่ดีเขาก็ไม่ดีเหมือนกันพวกมนุษย์เราเนี่ยมันมันเป็นเรื่องถ้าคนไหนดีเนี่ยไม่ได้อย่างยังไงไดเนี่ยลงกาลังใส่เท่าเขาไปทํางานอะไรก็เสร็จเอาเสร็จเราก็ได้มากส่วนตัวปัญหาเขาอีกเขาก็ทำให้เราไปทําให้เขา มันก็เป็นเกี่ยวกับธรรมธรรมของเราเนี่ยฉะนั้นเรด่าเอารับเอาเปรียบคนเกิดเป็นคนมาอ่าเพื่อจะได้เอาเกิดมานี่ก็ให้มันฝึกฝนอ่าตอนตของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นไปกูดังอย่เป็นคนที่อยาีไปขันเอาปฏิรัดเอาเปรียบเพื่อนว่ากันทุนไม่ดีเที่เราทําอะไรวะมันก็เป็นตาบาตของเราไปอยู่นี้ เง่อวันนี้ก็จะมาปฏิบัติมารับประพฤติปฏิบัติเราก็ใหญ่แล้วด้จากพระาตั้งอกตั้งใจมาทุกคนขอบาอาจารย์ทัานสอนให้ประพฤติปฏิบัติอืก็ให้ตั้งอกตั้งใจอเราในกายในใจของทุกคนเนี่แหละจะดีก็บเพราะเกายกับใจจะช่วยกับเพาะกายกับใจ ถ้าเราไม่มาฝึกมาหัดมันก็ไม่รู้จักหน้าที่ของมักมนการหากินกันอยู่ในสังคมนี่ก็เอาลัด เ, เอาเปรียบเขาถ้าเราไม่ฝึกมาหัดอย่างนี้ก็เราก็ไม่รู้จักใครจะได้ดีกันรื้อเรีบ ท, ที่ช่วยกันไ ป, ไป เ, เขาได้ดีเราก็ได้ดีบ า, น า, นานงที คนหนึ่งร่ำรวยคนหนึงเนลงไปเนี่ยเขาก็ยังเลี้ยงเราได้ถ้าเราดีถ้าเราไม่ดีเขาก็ไม่อยากให้เราเนี่ยพิจารณาเราพยายามทำเมืองบูกายของเราเนี่ยกายเคลื่อนไหวแต่ตะก่อนเราไม่เคยรู้จักกายเคลื่อนไหวเนี่ยไม่รู้จักอ่ีแบบเกิดมาฟรีอ่จะกินก็กินฟรีจะนอนก็นอนฟรีจะไปทาการทางานก็ ก็ไปแต่ก็ฟทั้งหมดคือไม่เห็นตัวเองจิตใจของเราเนี่ยคือเราเดียนี่เรามาเกิดมาในโลกมนุษย์เนี่ยคือเรามาหาค่านะหาค่าเอากำไรถ้าคนไหนเข้าใจในคิดตัวเองเนี่ยจะได้กำไรจะไม่ขาดทุนถ้าคนไหนที่ไม่รู้จักจิตใจตัวเองเนี่ยขาดทุนไปเลยเนี่ยอย่างเอาที่เราเกิดมาเนี่ย กำไรของเราคือตัวรู้ตัวเดียวนั่นแหละถ้าคนมีตัวรู้ตัวนี้ไม่จะเกิดควาฉลาดขึ้นถ้าไม่มีตัวรู้นี่ก็เป็นคนที่ไม่มีบรรด า, ปญญาเป็นคนโง่เขาวันนี้เราจะมาฝึกให้มีความรู้ความรู้กำไรของเราเนี่ยคือความรู้สึกตัวคือตัวสติสัมปชัญญะสิ่งที่มันมีเราเนี่ยยกมือขึ้นนี่มันก็ต้องรู้ เามานี่ก็ต้องมาฝึกกายฝึกกายให้มันเคลื่อน ไ, ไหวเอากายเนี่ยเป็นนิมิตเป็นนิมิตตําหรับยกมือให้เห็นให้รู้จกักให้เข้าใจมันหนักก็รู้จกักเบ า, าก็รู้จักมันที่เกียจก็รู้จกักมันขยันก็รู้จกั ก, หจกให้เราเข้าใจขั้นอักขระไหนที่ไม่ดีมันมาขัดขวางเราเนี่ยให้เราพยายาม ตอมันยาไปยุดใหมันยาไปพักมันอ่าทำไปเรื่อไปยกมือยื่นแแนี่ยคือทำตัวดมันค่อยคอเข้าใจไปเออพวกเรามีรู้ทองด่างด้ยละมีกายก็บบมีใจเออมันติดกันดูเออเนี่ยถ้ามันมีถ้ามไม่มีกายใจก็ไม่มีที่พึ่งที่อาศัยไม่มีถ้ามัน ถ้ากายขอเราเนี่ยไม่มีใจก็ไม่มีเจ้าของเจ้าของของเราคืออะไรคือใจเป็นเป็นอ่าเป็นหน้าหน้าตาของเราไปเนื่อยก็ไปอารยใจไปลดลงเี้ไปนี้ลงใต้ไปนี้ก็ไปด้วยกันเนี่ยไปละไปดูมีอะไรจะมาเนี่ยมาขับมาอะไรมาขึ้นมาขี่ขี้อะนรก็ู้จัก ไม่เล็กแมลงมาเลี้ยงตัวนี้เล็กตัวหน่อยมันก็คลื่ไฟกัดแล้วก็รู้จักก็ปัดออกไปอก็ปัดออกปัดออกไม่อยากให้มันกัดเรืรักษาเราอยู่ขน้นนั้นเนี่แหลแต่เราไม่เคยเอามันไปเลย์ไว้แต่ราเป็นเจ็บป่วยขึ้นมาก็ไม่เคยเรียกหาไหนตอนนั้นเรียกบนเป็นเลือกหาแต่ที่มันอยู่นอกกรอบของเรา ไปหาเรียกว่าหาเอาีเอสังอาสิ่งศักดิ์สิสทธ์มาช่วยอยากให้ทั้ง น, นี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้มาช่วยอยากใหมีผจ็บมีปวดก็กไปบอกไปแต่ว่าทเงั้นแต่นะทำทำงั้นอย่างในงอย่งนงในตลอดไปไม่ค่อย ไ, ได้ทำมันอืน่นเป็นมาอย่างนั้น จนเ<า>ท่าทุกวันนี่แหละตั้ง แ, แต่เป็นเด็กจนไ่ใหญ่กินใหญ่กินจนโตจ น, น, น, น, นตายก็ทำหนึ่งอย่างไม่เคยรู้จักป่ น, นี้คร<น>ูบาอาจารย์ท่านก็มาสอนให้เรารู้จักมจาจักรกายกับใจของเนี่ยยกมือขึ้นก็ไม่รู้จักจะเดินไปก็ไม่รู้จักมันจะชวนไนนี้เราก็ไม่รู้จัก เราเราเขต้องแม่เอาต้องรูจากมันไม่ต้องไม่ต้องไปดุท่นเนี่ยอันนี้มาขัดขวางเราความขี้เกียจที่ข้านมันมักจะมาขัดขวางเราความเจลียดวามปวดมันก็จะมาขัดขวางให้ไม่ให้เราทํามันจะบอกมันจะบอกมันจะสอนเราอยู่เรื่อยๆนี่แหละกูจะพามันปวดตรงนั้นอย่างนี้มันจะอดทนไหมไหมมันปวดอย่างเนี้บุกอุบัติพามันขี้เกียจที่ข้านมันจัด มีคเพียรหมันจะพูดกันแบบนี้พวกกิเลสตยู่นตอวราเนี่ยพวกนั้นมันพอไฟแรงอยาทำอะไรเนี่ยมันทำฮห้เนามี่งวมาเานักหนาวนักร้อนนสาพั่แต่มันจะนั่เกิมันก็จะบ่นไปอยู่หน้าขี้เกียจมนบอกให้เราหุบนอนง่นนนมากๆเราก็พปนนกััน มันจะเป็นหนูนั่นเรามานี่เราต้องขยันให้รู้จักความรู้จักทุกอย่างเพียงที่มาขัดความเราความเจริญของเราเนี่ยมันจะมาเกิดให้เราเห็นเวลาเราเดินนกรลบ้างเลื่สร้างเหวบ้างมันจะเกิดแบบนั่นแบบนี้บ้างมันมาเกิดมาขึ้นมาไม่ก็คิดงใจมันก็คิดไปทบที่เกิดึ้นมาทําให้เราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคต สารภาพตรตนี้มันจะพาเราคิดไปแล้วก็เป็นคนคิดไปเรื่องนั้นตกเอาเรื่องไม่มาคิดเรื่องมันนตกว่าเอาเรื่องนั้มาคิดไม่มีจะจบจบสิ้นมันจะอยู่นั่งถ้าเราไม่มาฝึกไม่มาเห็นมันมันจะตกเป็นทาตของตัวนี้แบบนี้เราการปฏิบัตินี้เราก็ต้องให้ให้เห็นเราการเคลื่อนไห้ให้ใจรับมู้ในเร้่อยไป เราอย่าหลงเนี่ยเขาเรียกว่าอารมรูปนามอารมณรูปนามนี่คือการขึ้นไหวใจเป็นผู้รับรู้คนหนึ่งเป็นผู้รับรู้ผู้หนึ่งเป็นคนเคลื่อนไหวเห็นให้เราเห็นเห็นไปดูไปสิงนี้มาเกิดขึ้นมาเราก็ให้รู้จักว่าสิ่งนี้มันมาขัดขวางเรามันมาสอนเรามันมาบอกเราให้เรารู้จักอดทนต่อสิ่งที่มาเกิดขึ้นหาทางใจชนะให้มันได้จนได้ ทำแรงๆเวลามาเกิดขึ้นมาความง่วงเงาพรานอนตื่นขึ้นมานี่แหละทำแรงๆเ่ยไม่ว่ายกมือก็ยกแรงๆเดินหน้าถอยหลังอนี่นี่เคยเดินท่าเขาไม่ต้องเดินท่าเดินรๆให้มันตื่นตื่นกายตื่นใจเนี่ยะขยาให้มันลุกให้มันตื่นยายันค่อยๆทำพัน ไม่ทันอกมันไม่ให้เราทํามันที่มันแรงๆมันตื่นตัวขึ้นมาเออเราไปตามใจมันไม่ได้สิ่งนี้เนี่ยเออเอ้นั่นแหละค่อยทําไปทําไปให้อุตสาห์พยายามดูมันเหมือนเราเรื่องวัวเลี้ยงควายนี่แหละเออเราไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่ก็มันออกลูกมาเนี่ยเมื่อกลูกตัวน้อยๆแล้วมันก็ค่อย ยังหวังลูกมันด้วยแม่มัน่ะเออมันค่อยเลี้ยงค่อยเน้่มันค่อยจับค่อยบายมันไปมันไม่ไปก็ค่อยไล่มันไปมันที่ขยับแล้วก็เอาไม่ตีตีมันไปแล้วแหละเหมือนกันกับเราเนี่ยอ่าเขาเรามาฝึกเรามาปฏิบัติเรื่องเหมือนเราไปฝึกวัวฝึกควายแหละว่าควายตัวใหม่ๆหม่นี่ก็ เราไปจับมันเนี่ยมันก็ยากยากที่สุดเลยมันดิน้นพอเราข้อเอาเปลือข้องค อ, งองมันไปผูกไว้ตรงไหนมันจะดิ้นเลยแหละจิตใจของเรานี่ก็เหมือนกันอพอตั้งแต่เรามาปฏิบัติเนี่ยความจิตความพุงตั น, นําคัญความเจ็บความปวดความบูมหนายสารพัดต่ามันจะเกิดขึ้นมาให้เราเห็น ก็อุตสาพยายามต่อสู้มันมันจะเป็นยังไงก็เป็นอันใดจะเกิดก็ให้มันเกิดเราอย่าไปห้ามมันตั้งแต่ก่อนหลวงพ่อเคยปฏิบัติใหม่ๆไม่อยางมันเกิดมันคิดมากพอคิดพอไปมันเข้ามาในวงที่เราปฏิบัติเท่านั้นแหละมุขมุขเกิดความม่วงเพราะเานอนเกิดขึ้นมาความเจ็บความปวดเบื่อหน การละพัฒน์มันเกิดขึ้นในเราเห็นจนว่าไปห้ามมันไม่ได้ไปห้ามมันก็เกิดแขนอกแขนใจขึ้นมาแน่นหน้าอกขึ้นมาห้ามไม่มันคิดไม่อยากทำให้คิดมันก็ยิ่งคิดขึ้นมาคิดไปเท่าไหร่มันก็ปวดหัวแล้วมันเนี่ยหัวก็ปวดพอหัวทางหน้าอกมันก็แน่นหน้าอก ก็ทํามันดูนั่นแหละทําไปทํามาทําไปทํามายิ่งอยากจะให้มันดีอยากจะให้มันเบาขึ้นมันก็ยิ่งหนักลงไปเพราะว่าเราไปกลมไปอยากได้มันคืนมาสิ่งที่มันดีๆเกิดขึ้นมาเราเห็นมันเบามันแรงมันโชญไปเนี่ยเดี๋ยนี้แล้วก็เรามันรู้จัก ก็ไปกลัวมันจะมัตจนีกลัวมันจะไม่อยู่กับเราดานก็ไปทิ้งไปเจาะมันมันก็ยิ่งเป็นไปในบ้านเนี่ยเกิดหนักแก้งนักขาขึ้นมาเกิดเวียนนาเวียนตามว่าเมาขึ้นมาก็เกิดความขี้ข้านทั้งล่ะขี้ขยันไม่อยากทําถ้าไม่อยากทำอะไรจะทํายังไงบ้เนี่ยพราอยากไปคุยกับคนนั้นจะคุยกับคนนี้ มันจะไปองไม่ตงนล้นเออมันนี่มันก็ไม่ได้ไปแล้วมานานี่ไม่ได้ไปนะเพราะว่าอาจารย์ท่านทำทางมาแล้วทางของใครทางของมันไม่เหมือนไปที่อื่นไปที่อื่นนี่ก็ทางเราไปหาเองแล้วก็ไม่ไม่อยู่ใกล้ๆก้กันเดินทางไปด้วยกันก็คุยกันไปด้วยไปแบบนี้ก็มีพอมาอาจารย์มาทํานี่ก็ ไม่ได้อยู่ด้วยกันนี่แหละนี่แหละให้พยายามทําเอาของใครของมันนี่แหะทำให้กันมาได้นะอันนี้พ่อแม่จะม่ทวงมาลูกก็ไม่ได้ลูกกะทวงมาพ่อแม่ก็ร้ไม่ได้บุญของใครบุญของมันใครทําได้ทำเอาเนี่ยมันไม่มีใครจะช่วยเราได้อันนี้นี่ยครูบาอาจารย์ทัก็เป็นตัวคน บอกทอมสอนบอกเท่านั้นแหละบอกว่าหนทางไปที่นี่ไปที่นั่นก็บอกไปบอกไปถึงที่ที่มัถูกให้ทํางั้นให้ทํำนี่ส่วนจารุก็เป็นเรานี่แหละจะรูแต่ครูบาอาจารย์ทุกกรบอกไปอย่างนั้นแหละเอาให้กันไม่ได้ก็บอกเอาให้ถูกทางมันก็ค่อยค่อยเข้าใจไปค่อยเข้าใจไปอดทนต่ออุปสรรคสิ่งที่มันเกิดขึ้น เอาอยูนอกปลอดภัยไ้ละกับต้นทุกไปมาได้ทแก่มันมาเป็นนี่แหละหัายว่าไม่อยากพูดพูดถูกอ่ะเอาละท่านนี้ขอขอยิดยงทุกคนจกตั้งอกตั้งใจปฏิบัติให้มีที่พึ่งคือคนบ้างตะวางคนสะอาดคนประดุษที่มีอยู่แบบนี้ คงพบเห็นในเวลาใกล้นี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาภูทังภะคะวา